เทศอบรมพระวันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสอง3้ายสาเทศกันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเผ็ดร้อนมากด้วย ผมเป็นห่วงหญยหมู่เพื่อนมากเดี่ยวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนหนึ่งที่ก็ห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาจิตผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมสั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชเป็นรุบายวิธีการที่จะ แย่สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุด ทำให้จิตบันไว้อยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักมุมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงคำให้จิตให้กายไหวไปตามพ่อมีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อต่อทำด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้ว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 กิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพธธุทธเจ้าที่นับได้พอประมาณว่าแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์พระอง์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกัน สิ่งที่เป็นภัยจะหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี่ยนปากน้ำปากถูกหอกแหลมหลาวต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยาการลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้า อาเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เสี่ยนแต่น้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีนทิเรศประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันอูปปฏิบัติจงควรสำเนียบ ศึกษาไข้ครวรจากโอวาครูวาอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของกิจที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสกักดันออกทุกระยะระยะนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉย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 เพราะฉะนั้นเพศของนัก บ, บวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาพเพียรเต็มทัศน์คำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและ ถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสตัณหาอสวะทุกประเภทด้วยหาขัดต่อเะ้าวาดที่ทรงแสดงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิดไทยเกิดขึ้นตรงนั้น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 พ้อมอยู่เสมอที่จะสังสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรซ้ำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายใน จ, ใจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใด หรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพธธุทธเจา้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อพ ร, ร่มสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย้อมเป็นเครื่องแก้กีิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือชื่อว่าขัดแย้งต่อธรรมจีดขวางธรรมของพระโพธิจารแล้วก็ย้อนเข้ามาจีดขวางและเป็นภัยต่อตัวเองนี่ลําใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านภูมาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาด ความเข้า อ, อกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมนัยเล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดูด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุาแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลย นอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลดูบายของกิเลสเพลียแพงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นค่าสิตต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจงตีธรรมภายในตนว่าท่านดุดาว่ากล่าว เป็นเกียตนาไม่ดีดังนี้เป็นตน้นนี่คือกลมายาของกิเลซึ่งมันเคยถุดลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อยากเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการสั่งนั้นอุบายวิธีคิดออก แต่ละแง่และมุมแต่ละขนาดของจิตก็อยากเข้าใจว่าจะเป็นอัดเป็นธรรมเสมอไปเพราะยิ่งนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะยิ่เหล็กก็เครือบแฝงอยู่ในนั้นค่อยตกค่อยต่อยในขณะที่เราเผออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุติครนิพัทธ ก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอาธธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสรุ่มรุมอยู่ภายใจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่ เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนั่นเองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอทำไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัต์ให้งู้ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจแต่ว่าเราได้ทำที่ตรงไหน คิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโงม่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราหยุดทุกระยะระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจา้าหรือปุว า, าจารยนนำมาสั่งสอนให้เราได้ยิงอยู่โดยมสม่ำเสมอเช่นนี้ แล้วนำไปพิจารณาใจตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจบ่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นไหมาหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราแล้คิดอ่านใจตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิวิเลษประเภทใดเราจะทราบโดยลําดับ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 กันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็าตามสติเป็นของสำคัญที่จะรกศาศาศักษาจิตใจให้คงเส้นคงวายอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าสอบเข้ามุงเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้น นี่คือความเผลอความเผลอในขนาดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่แค่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยกอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นก้าสิ่ต่อจิตใจของเราอยู่ทุกๆระยะ แต่พออย่างยิ่งขณะประกอบความภากเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันขีดขวางอยู่ทุกขณะอิจเนื่องจากมันมีกำลังมากชาติของเรายังไม่พอพอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลนุบาต่างๆของอิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึง สิ่งเหล่านี้ก็ออกเพ่นพ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนหุ่นวายได้ ร, รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิยาบุตเพราะกิเลส ข, ขิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นยาบุตรใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมาชาติ เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าหมายถึงทําในหลักธรรมชาติการดําเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึ ง, ถงจนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทํางานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันม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 แล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะระยะไปหากยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเพียนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกท่านทำอย่างนี้ ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นตนแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นห ย, ยาบยาบทำรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นห ย, ยาบหยาบจนกระทั่งถึงกิเลสดุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจําใจรวล้วนนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใด ท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของหน่เนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหน อียาบุตใดไม่เลือกการตสฐานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัดหาธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอน็นเอียงไปมานี้แต่กิเลสตบต่อยให้เอ็งให้เอียงให้เลื่อมกลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็น ให้พึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกําลังทํางานอย่างออกหน้าออกตาซึ่งซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละลา ย, ลหลายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทํางานบนหัวใจเราในขณะที่กําลังประกอบความเพียรจากข้ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าทําและและฆ่าตัวเราไปด้วยใ น, ในตัวในตัวเองโดยไม่รู้สึก เมียบคนอุบายของธรรมที่จะให้ทราบคนอุบายของี่เดชเตียงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าเสียดา ย, ยี่เดชไม่ได้ให้สาระคุณอันใดแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้าง ได้นำมาบวกลบปุญหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เที่ยงเคียงเหตุผลต้นปายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักผู้เบาในสิ่ง น, นี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้ยึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาเวลาตา ย, ตายตเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์พาเลื้องอยู่ที่ไหนก็มตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมาย ไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรมีเป็นสําคัญมากแล้วได้ดําเนินมาเต็มทัศน์ที่กำลังความสามารถยิ่งกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลําบากยากเย็นเขี่ยงใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะ งานนี้เป็นงานน่ะสำหรับเราผู้มีเป็นคนยากแต่ใครจะยากกาตามละเอยียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสต้นร้วนด้วยกันใครจะยากละเอียดแค่ไหนในิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้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 การถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญมันเป็นเกลียวเดียวกันละ่ะไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบําเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะอิจอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมักผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี้แท้แท้ ทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่มีเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไมไ่ตั้งหนา้าตตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำลับตำรา น, นั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นนะ่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุนวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเตทั้งหลายเวลานี้ เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นทมนี้เป็นทำเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าลาสกิเลสลาสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากยูเฉยๆยังไม่ มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรผลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อทื่อท่าท่าเส่อเสื่สาๆเงื้งเงางงเหมือนเราเรานี่เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสื่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง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 ความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกําอํานาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำํำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทําหัวใจนั้นให้งงบางครั้งในตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เราเป็นยังไงจิตท่องหลอ่อมันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรทายโง่ ถ้ามันกิเลสพาให้โง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกอยู่เลย อ, อำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี่คนเดียวนี้เท่านั้นเรื่องตาเกิดตาเกิดตาเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับลานานับได้หรือไม่ได้ก็าตามขอให้ท่านทางหนพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถอ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 โดยทางสติปัญญาไม่หยุดย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความไม่สุดที่ได้หาดจากกันกับกิเลสปาศาวะและขาดจากพบจากขาดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักกัปวัตนสุดนัตถิดานิปุนัพทว ความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศประกาศเมื่อไหร่ก็พ่อไม่ทราบเงื่อนสาปลายเหตุอะไรเหมือนเราเร า, เราท่านพ่นแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในกิจตั้งพิสูจน์ที่กิจ ด, ด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกัน ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงงูอปาลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันกำอํานาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้หักเหินจากกิเลสจากอํานาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ เ, เกิดมาเพราะ อ, อํานาจของกิเลสจัทร์หาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไร ตัวจิตจิตนี่เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นจริงเหล่านี้พอจะเห็นโทษทางความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนอกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่าง เปิดเผย อ, อย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดมันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิจชิตนั่นจะมีที่ไหนอะไรอะไรกันที่ไหนมาปิดบังกิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนั่นนี่เจงไม้กิเลสเหยียบย่ําหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ ตัวเคยเกิดนึงจะว่าตัวศูนย์ ท, ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับประปัดกันไปได้เพราะอนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีจิตไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นปลายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำาเละบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่นีนี่แหละตัวเทวทัศน์ใหญ่ มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตโน้นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทําลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทําไมไม่คิดเอาซี่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพทุทธเจ้าด้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไม่หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดําเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไม่แล้ว หุดค้นลงไปแยกกันอมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาวาสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายใจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอานาจแห่งการอบรมด้วยการฝึกฝนธรรมะคือการภาวนาเป็นสำคัญ นี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะกิตใ ด, ดที่จะเพ่นเพ่นท่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสถักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เปียนเครื่องยับจ้างของกิจให้กิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทา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 กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายใจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิพสูจน์จะแรกตั้งแต่เรื่องนี้ไปทราพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใด นอกจากกิเลสเป็นจามโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากําลังจะนะปฏิกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละว่าสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอํานาจวัฒนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างทั้งหมด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 บังคับบัญชาด้วยชาติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแทๆ้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแทๆ้ๆเป็นมาแทๆ้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ท, ทำไมเราเองจะไม่รู้จิตธิแท้เป็นผู้ที่จะรับรองใน พ, นพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิทำปัญญาทำวิมุตติทำนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบําเพ็ญของเรานี่ก็บําเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทําไมจะรู้ไม่ได้ เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในกำนัตตนาหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้มด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่นี่อันหนึ่งขั้นหนึ่ง คําว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทําลงไปอยู่โดยสม่ําเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลําดับลาดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วทั้งให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับฐานพอเริ่มรับฐานเท่านั้นเราจะจะเริ่มรู้รส เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิม่มหนำสารานก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามอหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิม่มหนำสำาลันในธาตุขันเพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้รู้ไปลนดับจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้ จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนีนนน้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่นี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายนใจขงตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี้ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏกขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นสบียงเครื่อง สนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวดขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามั่นกลายเป็นสัญญาด้วยอนนานาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอจารจิงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจะจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้ แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นักตั้งหน้าต่างตาทำให้แล้วก็เห็นเหตุเห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตาดานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนั่นเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห่นเหตุเห็นผลในเรื่องอนิจจงทุกขงาาังนาตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกาย นล้วขันห้าของเราคุ่นยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกก็ทาเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเป็นอันในขึ้นชั่วันแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสงสัยอะไรอีกแม่มันจะยึดหนะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลวงความสําคัญผิดความน่าของกิเลสเท่านั้น เมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทําลายกิเลสไปถึงนั้นทําลายอุปท า, านในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาไดเ้เราจะพูดถึงเดิมพิอสุภาอาสุผังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่ ม, มีความสุดสวยงดงามมีเสกสรรปัญญาตามปุณมยาคงกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปท า, านมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีก ด, ด้วยซ้ํา พินาให้เห็นชัดจนีนนี่คือปัญญาแยกแยกให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่าไั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นกิดเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจอ่อมีสติวควบคุมกากรองดูให้ชัดจนีน เทียบเคียงกับหลักความจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้สังเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นที่เครียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ฮเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังยั่งยืนอะไรทํานองนี้นี่คนมายามเขตมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานําสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรม ปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันร่างเดิมได้เช่นธาตุสีดินนั้นำลงไปเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภสุพังนี้แล้วกกลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกหรือว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอไอจังทุกขังาตาละั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญา นี่แหละก้าวเดิอนอย่างนี้เดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผิดปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามกันไปพอถึงขั้นเต็มกําลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหานชานชายต่อการทําหน้าที่ของตนปราบกิเลสปัญหาสภวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือน เชือกที่ฟันเป็นฟันเป็นเกีียวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพาน่าดอวดอำนาจวา ส, สนาบเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิง้งหรือปราบปรามความพุ่งส่าารลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่วัตถสขันนี่คือ แท่งแห่งทองทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้อย่างไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้อย่างไงปัญญากําหนดจดจ่อลงไปพี่ครานงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนีย่างทุกข์ขตาเต็มหัวใจเต็มโลกกระถาดอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือน่าเกาะน่าราาักใครชอบใจน่าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหน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 ขั้นรูปธปรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็ม อ, อกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละอ่านี่เป็นขั้นยากเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาสุกเวทนาทุกเวทนาอุเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายได้ จ, จิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุ์ เราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเครือบไปแฝงแต่บังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอยังลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้ แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเมทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐานสีไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนอพาให้เหยียบย่ําทําลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องสุดลากจิตใจเหยียบย่ําทําลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเอ เราไม่รู้ว่าตัวหยยบยั่นทำลานี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปนี่นะการคลี่คลายการพิจารณาทางนา้งนาปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงร่วนๆมีออกได้โดยดําดัดดําดับกิจจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภ า, ายในใจความยึดมั่นถือมั่นภ า, ายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้น อันนจังทุกขณาตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสั้นหลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเถิงรู้ประจักษ์กับจิตเนี่ยเวทนากายเวทนาก็ เ, เ, เหมือนกันหังจากศักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างใะอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุ ข, ขเวทนาอุเบก ข, ขาเวทนา เวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาเปลืกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออก โดยลำดับลำดับไอสัญญาสังขารไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนะ่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแลดับไปมันเป็นกองไร้ลักษทั้งหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาและเบิกออกเบิกออกออ ก, กิดถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้ว น, น่น่ะน่ดมันชัดอย่างนั้น จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏิโกเห็นเองเมื่อได้คุยเคียวขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่เแี่กันอย่างนี้นี่หละการพิสูจน์ถึงเรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับ กิเลสมันอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ทูกิเลตตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยพุ่มห่อจิตใจ หลอกลวง จ, จิตใจปิดปัง จ, จิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจกนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืกต่อกันระหว่างขันกับกจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลามากไป เอาในระหว่างขันกับจิตรูปประขันเมตนาขันสัญญาขันสั้งขันขั น, ขนวิญญาณขันทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือจะจิตกับอวิชชาที่ปัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลัก ธรรมชาติหรืออัตนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอาวิชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดที่วแลกแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออา้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับี่การไม่ต้องไปนับก็ได้บอกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้ เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื่อที่สืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกันกบจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิต ก, กับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดเอาไปหมดแล้วจากจิตไม่มีถึงในเหลือนั่นแหละเป็นจิตที่ยืนยันปฏิ ญ, ญาณตนได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอํานาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นต้องเราที่ในเรื่องความเกิดตายแต่ก่อนนั้นเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัญญาสังขาราแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรร ล, ลัยลงไปหมดแล้ว นี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดๆเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถานนนั้แล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติให้เห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี้เวลาเวลาให้เียะให้หลอกให้ถูกถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสูงอยู่หนึ่งอยู่ที่หัวใจนี่อืมชาติปิฎกขาชาลาปิฎกขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสาคัญให้เกิดพบนั่นพบนี้คืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทําลายแล้วถาดสะบัน้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุโทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆอ่าอาไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมโมทชึ่งเป็นคู่เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นขอยืนยนนันได้ภายในตัวเอง ว่า น, นัทถิดานิปุนัปโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงอพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมที่นี่แล้วนั้นหรือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงนี่ให้ถึงจิตสินี่ราจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตทอดยิ่งเรศพาให้ลึก เอตื่นที่สุดจนประจักษ์ใจ ก, ก็ก็คือจิตเพระาะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมเม็ดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอยู่อย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกัน นี่นนหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพนทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อนยังไ ง, ง, ไงหรือตายเกิดหรือตายสูนรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยอย่าไม่สนใจอใครจะว่าเป็นอย่างนั้นตัวนองนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ว่าฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดละเรื่องความหิวโหย ความโยกโยกความทอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหอันนี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงนี้จะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จริงนำปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสําคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ยผู้นั้นน่นะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกนี้ไปได้โดยไม่สงสัยสถ้าิดปัญญามีแล้วหูต้มแกงไม่ได้นํามาฆ่ากิเลส มาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสีป่ปั ญ, ญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมจ้มีความห่วงใ ย, ยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งสบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก่อมันมีหลายอย่างอุปสรรครุ่งไปหมดหาความ ส, มบสงบจงดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดงานนั้นเพราะความไม่สนิทใจ เสียงกรรกกระแต่ก็โกดกวาดเสียงนั้นเสียงนี้คือคึกคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จริงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงเลยมาประชุมแล้วให้การอารมณสั่งสอนห่เพื่อนฟังให้ถึงใจนี่เทศอย่างถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อ ความเป็นที่มุงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจใมีความจริงจังต่อความภาคเปลี่ยนของตนมีหลักงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถิดไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาวาเศษวิเศษก็ตามเถิดมันนักรู้อยู่ในตัวเองอยู่ในนี้เลยเพื่อนคนนี้เหนื่อย